ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญธาตมหาเวทลสุตรต่อจากเมื่อเช้าเนี่ยในหน้าสองข้อ494็สิบาข้อ้าสบสนปัญหาที่สมที่พระมหาโกธิตะเรียนถามพระสารีบทว่าท่านพระสารีบตรที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าวิญญาณเนี่ย ด้วยเหตุมี أ, ด้วยเหตุมีประมาณเพียงรายหนอจึงชื่อว่าวิญญาณเหตุที่ทำให้เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันเพราะอะไรภาษาริบบทก็บอกว่าคนที่เรียกว่าวิญญาณก็เพราะเป็นธรรมชาติทีย่ย่อมรู้แจ่มย่อมรู้แจ้งเนี่ยนะคิว่าย่อมรู้แจมแจ้งนะนะวิชานติวิชานาติธรรมชาติที่รู้อย่างแจมแจ้งชื่อว่าวิญญาณ ก็คือธรรมชาติที่ชื่อว่าวิชาเนี่ยนะคคิดง่ายๆก็คือวิชานั่นแหละคำว่าวิชานติวิชานติเนี่ยถามว่าวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งว่าเป็นสุขรู้แจ้งว่าเป็นทุกข์รู้แจ้งว่าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรือที่เรียกว่าอุเบกขาชื่อว่าวิญญาณไอ้คำว่าวิญญาณเพราะธรรมชาติที่รู้แจมรู้แจ้งหรือว่ารู้อย่างแจมแจ้งนั่นแหละจึงชื่อว่า วิญญาณตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่พวกเราทั้งหลายคุ้นเคยกันพวกเราจะคุ้นเคยกับวิญญาณเพราะอะไรรู้แจ้งรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆจกักขูวิญญาณรู้แจ้งสีโสตะวิญญาณรู้แจ้งเสียงคานะวิญญาณรู้แจ้งกลิ่นชิวหาวิญญาณรู้แจ้งรสกายะวิญญาณรู้แจ้งโภตภะธรรมรมณอ้วโนโมวิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะ แต่ตรงนี้ภาษาธิบุรกลับบอกว่าที่ชื่อว่าวิญญาณเนี่ยนะเพราะธรรมชาติรู้แจมแจ้งรู้แจมแจ้งอะไรรู้แจมแจ้งวันนี้สุขรู้แจมแจ้งวันนี้ทุกข์รู้แจมแจ้งวันนี้อัทุกขมสุขวิปัสสนาวิญญาณอันนี้คืออะไรไม่เหมือนวิญญาณทั่วไปนะแต่หมายถึงวิปัสนาวิญญาณนะหมายถึงวิปัสนาวิญญาณ วิปัสนาวิญญาณนี่แหละที่รู้แจ้งสุขรู้แจ้งทุกข์รู้แจ้งอะทุกขมสุขเนี่ยนะเป็นการรู้แจ้งด้วยวิปัสนาวิญญาณอันคำอธิบายในหน้าสองสดนับขึ้นเจ็ดปดบรรทัดเนี่ยนะคำว่าความรู้แจ้งพระมหากธฏิตาเทระถามถึงอะไร ถามถึงผู้ที่เอาความรู้แจ่มแจ้งนั่นแหละมาพิจารณาสังขารคือเอาตัววิญญาณมาพิจารณาสังขารตรงนี้เนี่ยไม่เรียกวิปัสสนาแต่เรียกว่าวิญญาณเพราวิญญาณนี้เขาทากิจวิปัสสนาได้แต่ไม่ใช่วิญญาณธรรมดานะแต่เป็นวิญญาณที่ประกอบกับปัญญาเป็นวิญญาณที่เกิดร่วมกับปัญญาเรียกว่ากล่าววิปัสสนาโดยยกวิญญาณขึ้นเป็นประธานคือบางสูตรเนี่ยนะพระไตรปิฎกเนี่ย ท่านไม่ค่อยเคร่งครัดในการใช้คำเท่าไหร่ไอ้คำว่าเจริญวิปัสนาบางทีท่านก็บอกวิญญาณก็ได้อย่างสูตรนี้ยกว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณนี่รู้แจ้งอะไรนะซึ่งวิญญาณตัวนี้หมายถึงวิปัสนาวิญญาณบางสูตรยกสัญญาขึ้นเป็นประธานเช่นอนิจจะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยนะยกผัดยกสัญญาขึ้นเป็นประธานในการเจริญวิปัสนา บางสูตรยกภาษะเป็นประธานว่าภาษะนี่ก็เจริญวิปัสนาเหมือนกันเช่นสุญยตะสัมผัสอนิมิตะสัมผัสเนี่ยนะอัปปนิหิตะสัมผัสเพรา ะ, ะนนั้ภาษที่เจริญวิปัสนาภาษที่เป็นวิปัสนาเพราะะอย่างสูตรนี้เนี่ยยกจิตขึ้นเป็นประธานนี่ยนะซึ่ง แปลแปลในแปลอีกครั้งอีกรอบหนึ่งพระมหากคติตะถามว่าข้าพเจ้าขอถามวิปัสนาที่ต้องมารู้แจ้งหรือว่า ว, วิปัสนาจิตของผู้ทำงานพิจารณาสังขารทั้งหลายกับท่านที่บอกว่าขอถามว่าที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยนะคือวิปัสนาวิญญาณนะั้นน่ะที่เขาเรียกว่าวิปัสนาวิญญาณเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ ที่เหตุเรียกว่าวิปัสนาวิญญาณก็เพราะมันรู้แจ้งสุขรู้แจ้งทุกรู้แจ้งอทุกขมสุขเหตุที่มันรู้แจ้งนั่นแหละรู้แจมแจ้งนั่นแหละจึงชื่อว่าวิญญาณคือวิปัสนาวิญญาณคําถามว่าอ้าวแล้ววิปัสนาวิญญาณรู้แจ้งสุขเนี่ยรู้แจ้งอย่างไรรู้แจ้งเวทนาที่เป็นสุขรู้แจ้งเวทนาที่เป็นทุกข์รู้แจ้งเวทนาที่เป็น อทุกขมสุขเนี่ยนยตรงนี้เป็นการแสดงวิปัสนาโดยยกอรูปกรรมฐานอารูปกรรมฐานก็คือยกอเวทนาที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเท่ากับเป็นการกล่าวเวทนานุปัสนาในในพุทธในคำที่พระสารีบุตรตอบว่าอวุโสที่เรียกว่าวิปัสนาวิญญาณหรือเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเพราะเป็นธรรมชาติที่รู้แจ่มแจ้ง รู้แจ่มแจ้งว่าเป็นสุขรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นทุกรู้แจ่มแจ้งว่านี้เป็นอทุกขมสุขคืออุเบกขาเท่ากับพระสารีบุตรกล่าวเป็นพุทธพจน์ในสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าหรือรู้แจ่มแจ้งว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดอย่างแจ่มแจ้งว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดอย่างแจ่มแจ้ง ว่าสเสวยอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะไ อ, ะอะความรู้แบบนี้แหละเรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะเรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าไปศึกษาเอาในสติปัฏฐานสูตรแล้วกันเนี่ยนะในสูตรที่ว่าด้วยหลักการตั้งสติก็คือสติปัฏฐานสูตรอยากหารายละเอียดเพิ่มเติมแบบพิสดารเรียนสติปัฏฐานสูตรโน่นท่านว่าเพราะถือว่าขยายมาแล้วเนี่ยนะเพราะถืออยู่ในนิกายเดียวกันแล้วก็เคยขยายมาแล้วด้วยเพรปั้นทบทวนอีกนิดหน่อยว่า เวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นอุเบกขาเนี่ยรู้จากอะไรแล้วพูดแบบชาวบ้านเราบ่าถ้าเจอเรื่องดีๆเลยเนี่ยเราจะยิ้มไหมเรื่องที่ถูกใจที่สุดอยากเห็นแบบนี้อยากฟังแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะถามว่าเราจะเครียดเลยไหมบอกไม่โดยมากดีใจปลืม้มแต่เจอบางเรื่องที่แหมไม่อยากฟังเลยเนี่ยนะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากผ่านไม่อยากพบไม่อยากอะไรเนี่ยแต่จําเป็นต้องพบสิ่งเหล่านั้นอะทุกข์ไหม ทุกอยู่แล้วเนี่ยนะอ า, อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวบอกเวทนาก็อย่างที่กล่าวว่าอย่างคนที่มีผิวพรรณอย่างดีสุขภาพอย่างดีเนี่ยนะเรารู้ไหมว่าร่างกายเขาเนี่ยมีความสุขเขาไม่ทุกข์แต่ตรงกันข้ามเน่าเฟะเนี่ยนะแล้วก็ไม่มียาเป็นเครื่องรักษาเป็นยาเป็นป้องกันเลยเนี่ยถามว่าเขาจะเจ็บปวดไหมแค่ว่าดูจากวัตถุรู้ได้ถึงเวทนาเนี่ยนะาถามว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโดยปกปติเนี่ยนะ เราจะบอกว่าเขาทุกได้ัหมหน้าเครียดหน้าเบ้เลยเนี่ยนะเราจะบอกว่าเขามีความสุขได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายมันเป็นตัวบอกถึงความสุขรูปทั้งหลายเป็นตัวบอกความทุกเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกเนี่ยนะวัตถุและอารมณ์เนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนนี่นะภาษาเอ่อเรียกว่าวัตถุและอารมณ์เนี่ยบอกเลยว่าเขาสุขหรือเขาทุกนี่นะ ตากับสีนี่บอกเลยว่าเขามีความสุขหรือไม่หูกับเสียงหูของเขาและเสียงที่เขาได้ยินเนี่บอกได้เลยว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์จมูกกับกลิ่นที่เขารู้ก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เอาไม่เขาเราก็ได้เอาตาของเราสีที่เราเห็นเนี่ยเรารู้ได้ไหมว่าเห็นนี้แล้วสุขแน่นอนเห็นอย่างนี้แล้วทุกข์หูมีหูอย่างนี้ฟังเสียงแบบนี้เรารู้ไหมว่าเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขจมูกแบบนี้รู้กลิ่นแบบนี้เนี่ยนะรู้ไหมว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุข กายแบบนี้รับสัมผัสแบบนี้รู้ไหมว่าเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลิ้นแบบนี้รสแบบนี้ที่ชอบกับรสแบบนี้ที่แมมได้กลิ่นนี่ก็แทบอจีนเนี่ยนะรู้ัหมถึงสุขและทุกข์เนี่ยนะเรื่องราวที่เราเก็บมาคิดเนี่ยนะรู้ไหมว่าเรื่องนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขและความทุกข์ทั้งหลายเนื่องด้วยภาษะ 菩ะเป็นที่ตั้งแห่งสุขก็เกิดความสุข菩ะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็ให้เกิดความทุกข์菩ะเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยๆก็เกิดความเฉยๆเนี่ยนะแล้ว菩萨เที่ยงไหมล่ะแล้วความรู้สึกเที่ยงไหมนะตากับสีไม่เที่ยง菩萨ก็ไม่เที่ยงเมื่อตาสี菩萨ไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกจะเที่ยงมาจากไหนเนี่ยนะรู้แจ้งทันทีเลยว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงไอ้คาว่าไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่แบบแม้ไปแบบ แช่งอะนะไปแช่งเวทนาไม่ใช่แต่หมายความว่ารอบรู้เหตุเกิดของเวทนาเป็นอย่างดีนะก็เหมือนกับว่าคนที่คือเข า, เ, าเทน้ําออกจากขวดเนี่ยนะเวลาเทออกไปนี่เขารู้ไหมว่าน้ํามันจะหมดจากขวดรู้เขารู้นี่เพราะเขาแช่งให้น้ําขอให้มันหมดขวดขอให้ ม, หมดหมดขวดหรือว่าเห็นความเป็นไปของน้ําที่ไหลออกหมดขวด ฉันใดก็ดีความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรความสุขเหล่านั้นจะหมดไปเพราะหมดอะไรปัจจัยอะไรดับความสุขจึงดับปัจจัยอะไรดับความทุกข์จึงดับภัสสะอะไรดับอุเบกขาจึงดับมันปัจจัยเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกบ่งบอกความรู้สึกที่เป็นสุขบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมันวิญญาณเนี่ยคือวิปัสสนาวิญญาณเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่า สุขเวทานาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทานาก็ไม่เที่ยงอทุกขมสุขเวทานาก็ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสุขเวทานาที่เกิดขึ้นก็รู้ถึงวัตถุอารมณ์ผัสสะและปัจจัยของเวทานาว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมาจากผัสสะแล ะ, ะวัตถุและอารมณ์พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยก็รู้ว่าปัจจัยแห่งความทุกข์เหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแม่ไอความไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์เนี่ยอยากให้มันไม่เที่ยงเร็วๆเนี่ยนะ ความไม่เที่ยงที่เป็นสุขอยากให้มันไม่เที่ยงยาวนานแล้วก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นแต่จริงๆมันมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือว่ามันเป็นอย่างที่มันอยากเป็นมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเวทนามันก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างเวทนาแต่เราเห็นเวทนาอย่างที่มันเป็นหรือว่าเห็นเวทนาอย่างที่เราอยากเป็นโดยมากก็เราอยากจะเป็นใช่วันนั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราก็แฝงด้วยความคิดว่า ขอเวทนาของเราจรงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนามันบอกไม่ใช่นะฉันจะเป็นอย่างที่ฉันเป็นน่ะนะฉันไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการรอกถ้าคุณบริหารท่านดีฉันก็เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นแต่ถ้าคุณดูแลฉันไม่ดีฉันไม่เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นรอกนะ่ะนะอย่างหัวเนี่ยคิดไม่อยากให้มันแม้ขอจงปวดอย่าอย่าปวดเนี่ยนะถ้าดูแลไม่ดีมันก็ปวดขึ้นมาเองดูแลดีมันก็ไม่ปวดนะยังไงหิวก็เหมือนกันเนี่ยนะ หิวก็เหมือนกันถ้าคุณดูแลดีฉันก็ไม่หิว่คุณดูแลไม่ดีฉันก็หิวอะ่ะมันแล้วแต่การดูแลของคุณเพราะฉะนั้นจะสุขจะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คุณต้องการหรือไม่อยู่ที่ว่าคุณหาปัจจัยได้พร้อมไหมล่ะถ้าหาปัจจัยพร้อมก็มีความสุขหาปัจจัยไม่พร้อมฉันก็ทุกข์กันแล้วกันนะ่ยนะเพราะฉันว่าไปตามเหตุตามปัจจัยของฉันแต่อย่าเข้าใจผิดกันแล้วกัน เพราะฉะนั้นพระองค์จึงอย่างสูตรก่อนนะจุละตันหาสังขยสูตรที่บอกว่าทำทั้งปวงไม่ควร ย, ยึดถือไม่ควรเข้าไปยึดมั่นอย่าไปยึดเลยว่ามันจะเที่ยงอย่างที่เราคิดเนี่ยนะอย่าไปยึดเลยว่ามันจะสุขอย่างที่เราคิดอย่าไปยึดเลยว่ามันเป็นอัตตาอย่างที่เราคิดยึดยังไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่ชื่อว่าวิญ ญ, ญาณวิญญาณเนี่ยตรงนี้วิปัสสนาวิญญาณจึงรู้แจ้งสุ ข, ขเวทนาตาม เรียว่าเข้าใจชัดอย่างแจ่มแจ้งเลยเนี่ยนะเข้าใจเรื่องนี้อย่างตลอดสายเข้าใจโลกของเวทนาอย่างตลอดสายยังเข้าใจโลกของเวทนาที่มาจากทวารตาอย่างตลอดสายคือคื อ, คอรู้เลยว่าเวทนาตัวเนี้ยมาจาก ตาอย่างไรมาจากสีแบบไหนถ้าสีเขียวก็ให้เกิดเวทนายัางไรสีเหลืองสีดําสีแดงถ้าสีผสมทั้งหลายเนี่ยก็ให้เกิดเวทนาอย่างไรสีที่มีแสงแบบนี้ส่องแสงมากแสงน้อยเป็นต้นส่องก่อให้เกิดเวทนาเราได้แล้วเวทนาเราเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กามตัณหาอย่างไรเป็นปัจจัยแก่ภวะตัณหาอย่างไรเป็นปัจจัยแก่วิภวะตัณหาอย่างไรแล้ว่ามองเห็นเวทนาทั้งโดยวัตตาและวิวัตตาก็เลยปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใน เวทนาทีนี้ตรงนี้ทําไมจึงยกวิญญาณขึ้นมาล่ะว่าวิญญาณนี่รู้แจ้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแล้วเป็นวิปัสนาวิญญาณก็เพราะว่าวิปัสนาวิญญาณเจริญได้โดยที่สุดแม้จิตญาณวิปยุทธ์อันะจิตที่เป็นญาณวิปยุทธ์ก็เจริญวิปัสนาได้แต่เป็นมาจากความชํานาญปกตินี่ขี่จักรยานต้องใช้มือจับใช่ไหมถ้าชํานาญต้องใช่ไหม ไม่ต้องทําไมอ่ะเขียนหนังสือปกติต้องดูไหมแต่ถ้าชํานาญจริงๆต้องดูตลอดเลยไหมเวลาเขียนไม่ต้องนีนะถามว่าทําไมเพราะความชํานาญความคล่องแคล่วการพิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตฐานุปัสสนาเนี่ยคิดง่ายๆอยงเงี้ยถ้าเราไปเดินเจอเรื่องบางเรื่องที่เราโกรธมามากเลยเนี่ยนะเห็นเรื่องอื่นเราโกรธตามไปด้วยไหมมันมันเครืออะไรนะไออุ่นเนี่ยนะมันยังระอุตามมาจากโทสะไหม ไอออนยังระอุมาจากราคะมาจากโมหะเป็นต้นไหมอย่างคนเมาเนี่ยนะเวลาดื่มแล้วมันเมาแล้วมันยังเรียกว่าคลื่นแห่งความเมายังสืบทอดมาเรื่อยๆได้ไหมได้ฉันใดปัญญาทั้งหลายเมื่อทรรมกิจโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนชำนาญวิญญาณแม้แต่ญาณนะวิปยุทธก์ก็ก็มานิการตามนั้นไปได้ตามร่องเรียกว่าตามร่องตามที่ที่เคย พิจารณาอยู่แล้วก็อบอกอาถามแบเป็นไปได้ด้วยเหรอคุณสวดมนต์เนี่ยคุณตั้งใจสวดทุกครั้งเลยไหมหรือปากมันพาว่าไปเรื่อยเนี่ยนะทิฏิโสพระว า, าระหังสามมาออาหารมันเสร็จหรือ ย, อยังนัน่คิดไปเรื่อยได้ใช่ไหมอา้าวก็คิดได้เป็นกันแต่มันก็สวดได้นะหยุดถึงไหนรู้ด้วยนะเอาเหมือนแบ่งภาคเป็นจริงๆไม่ได้แบ่งภาคอะไรหรอกคือเพราะว่ามันสลับกันแล้วก็ไอไอวิ จิตที่เป็นญาณวิปปยุทธ์เนี่ยมันไปมันจิตเราใดที่เป็นญาณวิปปยุทธ์เนี่ยนะมันเดึกไปเรื่องนั้นได้แต่มันไม่รู้เรื่อง